ปีใหม่นี่มาพร้อมกับความหวังนะหลายคนรอปีใหม่ก็เพราะมีความหวังว่ามันจะดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นความทุกข์ควา ม, วามลําบากในปีก่อนมันจะบรรเทาเบาบางลงแต่ว่าสําหรับหลายคนเนะี่ยปีใหม่ไม่ได้มาพร้อมกับความหวังอย่างเดียวนะมันมาพรอะความหวั่นไหวด้วยหวั่นไหวเพราะ เขาว่าปีนี้นะเป็นปีชงเป็นปีชงสำหรับคนราศีนั้นราศีนี้พอมันตรงกับราศีของตัวก็เกิดความวันไหวขึ้นมาเกิดความวิตกขึ้นมาเพราะไปเชื่อนะว่าเลิกยามหรือว่าดวงดาวนี่มันจะมีผลนะกําหนดชีวิตของเราที่จริงถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเราไม่เชื่อเรื่องปีชงหรือว่า เรื่องเลิกยามทํานองนี้ชอบพูดเนี่ยเราเชื่อเรื่องกรรมคือเรื่องการกระทำนะเลิกดียามดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเป็นปีชงสําหรับเราหรือเปล่านะแต่มันอยู่ที่การกระทําของเรานะที่เรียกว่ากรรมนะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลาย ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้านั้นก็เป็นเวลาดีของสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่าใดนะประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาบ่ายเวลาบ่ายนั้นก็เป็นเวลาบ่ายที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดนะประพฤติสุจริต ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นนั่นก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้นนะแล้วพรมก็สรุปว่าเนี่ยสัตว์เหล่าใดนะประพฤติ ช, ชอบในเวลาใดาเวลานั้นก็เป็นเลือกดียามดีขณะดีของสัตว์เหล่านั้นนะเอ้นถ้าเราอยากให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะ อยากให้วันนี้เป็นวันที่ดีอยากให้ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่ดีนะมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการทำความดีเนะปิดผิชอบสุดจริตนะทั้งกายวาจาและใจอย่างออ่ น, นี่มันเป็นส่วนประกอบนะซึ่งอาจจะไม่มีความหมายเท่าไหร่เลยก็ได้ ในชาวพูดเนี่ยเรานะีเชื่อเรื่องการกระทำเรื่องกรรมนะ่งกว่าเรื่องเลิกยามนะหรือว่าดวงดาวถไม่ใช่บาสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีผลนะก็มีผลนะเหมือนกับเวลาเนี่ยเวลาเชา้าเวลาบ่ายเวลาเย็นเนี่ยเวลาเช้านะเราจะรู้สึกแจ่มใส เวลาเย็นเราอาจจะรู้สึกเย็นสบายเวลาบ่ายเราอาจจะรู้สึกว่าอ า, อาจจะรุ่มร้อนอยู่บ้างเพราะมันเป็นเรื่องของภูมิอากาศดินฟ้าอากาศแต่ว่าถ้าเกิดเราทําไม่ดีแม้จะเป็นเวลาเช้าจิตใจเราก็หม่นมัวได้หรือหม่นมอง ก็าอาจจะคิดลบคิดร้ายหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดศีลเวลาเย็นเนี่ยแม้ว่าอากาศเย็นสบายแต่ตจิตใจจะรุ่มร้อนได้นะเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะไปลักขโมยหรือไปต่อว่าด่าทอใครแล้วก็เกิดความกังวลวิตกนะ อันนี้ก็มันไม่ได้เป็นเพราะดินฟ้าอากาศแต่เป็นเพราะการกระทำของเรานะเวลาก็มีส่วนแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับการกระทำของเราแทนท่นาว่าเราอยากให้เวลานี้เป็นเวลาที่ดีเป็นวันที่ดีเนี่ยก็ต้องทาความดีทำความดีในที่นี้เนี่ยก็ มีความหมายกว้างนะเช่นขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใครไม่เอาเปรียบเบียดเบียนใครแต่บางครั้งเนี่ยแม้เราจะทําดีแล้วนะประพฤติชอบแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีอุปสรรคก็ยังมีปัญหาทําดีแล้วคนก็ยังต่อว่าทําดีแล้วงานก็ยังไม่สำเร็จ หือเพียงพยายามแล้วนะบอกกัว่าทรับสิ่งก็เกิดเสียหายขึ้นมาอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเลิกยามนะแต่มันเป็นธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกที่มันมีขึ้นมีลงมีความไม่จีรังยั่งยืนอย่างที่เ็าว่าเนี่ยโลกเนี่ยก็หมุนเวียนไปตามสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมแปด ได้ลาบก็มีเสื่อมลาบได้ยศก็มีเสื่อมยศได้รับควาสารเสือก็เจอคำนินทามีกับหมดเป็นของคู่กันได้กับเสียเจอกับจากพบแล้วก็มีพาลาดรักแล้วก็มีเลิกนั้นเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันอย่าไปโทษว่า ใส่เสื้อไม่ใช่ไม่ได้ใส่เสื้อที่เป็นสีมงคลหรือว่าเป็นเพราะว่าอ่ารถนี่สีรถนี่ไม่ใช่สีมงคลหรือเพราะว่าเป็นปีชงมันเป็นธรรมดาที่ทุกคนต้องประสบอย่างที่เราสวดอยู่ทุกวันเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงเปินความแก่ไปไม่ได้หรือมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงเปินความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เราจะต้องพัะปากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นไม่ว่าพูดเรื่องความตายก็ได้แล้นไม่ว่าเราจะทำดีเพียงใดเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุขุกขักบ้างมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องปีชงนะแต่มันเป็นธรรมดาของโลกที่ทุกคนต้องประสบเนทาตรงข้ามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับผู้คนนะบางราศีหรือว่ามีการทานายทายทักว่าเนยะปีที่มัเป็นปีดี เป็นปีที่ดีของเราแต่ถ้าว่าเราไม่ระมัดระวังการกระทำของเรามันก็จะเกิดความเดือดร้อนได้เช่นขับรถเร็วนะร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงงทีสองร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแม้ว่าจะใส่ขับรถที่เป็นที่มีสีมงคลหรือว่าดูเลือกแล้วเป็นเลือกที่ดี ก็า จ, จะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็มีโอกาสนะเกิดอุบัติเหตุได้สูงด้วยหรือว่าแม้ว่าจะเป็นเลอกดีแต่ว่าเมานะกินเหล้าจนเมาไมา้ขับรถอย่างนี้นี่เริ่มก็ช่วยไม่ได้นะหรือแม้แต่จะสวมพักเครื่องราคาสิบยี่สิบล้านหรือเป็นร้อยล้านนะพระสมเด็จ ของแท้เลยแต่ว่าถ้าประมาทถ้าเมามายมันก็ต้องเกิดเคราะห์เกิดอุบัติเหตุนะนั้นเนี่ยจะไปหวังพึ่งโชคไปหวังพึ่งดวงไปหวังพึ่งเลิกพึ่งยามหรือว่าไปยึดติดถือมันน่นนะกับว่าปีนี้เป็นปีชงจิตใจวันไหวนี่อันนี้ มันไม่ถูกนะถ้าเป็นชาวพุทธนะทำดีเอาไว้นะดีที่สุดนะไม่ว่ามันจะชงหรือไม่ชงโดยเพราะไม่ใช่แค่ทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยใจนี่มีสติมีความรู้สึกตัวมีปัญญาและถ้ามีปัญญาเนี่ยนะเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยเวลาเจอความผันผวนเ ป, ป, ปลี่ยนแปนะเจอความเสื่อมความเสียความพัดพลาก ซึ่งเป็นธรรมดาโลกปัญญาก็ช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้ก็ยังคงปกติสุขอยู่ได้นะอันนี้เพราะว่าประพฤติชอบนะไม่ใช่ด้วยกายด้วยวาจาแต่ด้วยใจอย่างแล้วก็ตามนะถ้าหากว่ายังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่เรื่องปีชงนะ ถ า, ากว่าช่วยบรรเทาความรู้สึกหวั่นไหวนี้ด้วยการทําความดีก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องที่ดีนะอเช่นไปทําบุญไถ่ชีวิตวัวไถ่ชีวิตควายปล่อยนกปล่อยปลาทําทสังฆทานหรือว่าไปเป็นจิตอาสาบริจาคเลือดรวมทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ก็ยังดีนะเชื่อ ว่าเป็นปีชงแต่ว่าพยายามที่จะบรรเทาเบาๆด้วยการทำความดีนะแบบนี้นี่ไม่เสียหายนะอาจจะดีก็ได้นะเพราะมันเป็นการชักนำให้เราเนี่ยหันมาทำความดีมากขึ้นนะที่ไม่เคยบริจาคเลือด ก, ก็บริจาคเลือดที่ไม่เคยสวนมนต์นั่งสมาธิก็มาสวนมนต์นั่งสมาธินี้ก็ถือว่าดีนะนะแล้วก็ควรจะทำแบบนี้กันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นปีชงหรือไม่แล้วทาไปเรื่อยๆทำไปตลอด แต่ถ้าว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาเนะก็โดนคนหลอกง่ายนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนมาบอกว่านี่ยจะแก้จะมาสะดอกเคราะห์นะคนปีนั้นปีนี้ให้มันหายชงก็เรียกเก็บเงินนะเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยอย่างนี้อันนี้ไม่ดีต้องระวังอย่าไปให้เขาหลอกอย่าให้ความหวั่นไหวในใจของเราเนี่ยมัน ชักนําเราไปสู่การถูกหลอกแต่ว่าถ้าเอาถ้ามีความหวั่นไหวแล้วเนี่ยหันมาทําความดีมากขึ้นทําบุญทํากุศลมากขึ้นอย่างที่ว่ามาเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้ายัางเชื่อเรื่องนี้อยู่นะก็ให้หันไปทําความดีเยอะๆสร้างบุญสร้างกุศลมากๆอย่าไปปล่อยให้เขาหลอกเราหรือถ้าไม่เชื่อเลยนะแต่ว่าทําความดีเชื่อกรรมนะ มั่นใจว่าเนี่ยทำดีเวลาใดเวลานั้นคือเลิกดียามดีทำดีตลอดปีปีนั้นก็เป็นปีที่ดีอย่างเนี้ยถือว่าดีที่สุดนะ